ถามว่าถ้าเราจะลดปริมาณของปัญหาตรึกพิจารณาในการที่จะลดปัญหาอย่างไรก็จะต้องพิจารณาว่าเอสภาพแห่งการที่พิจารณาเข า, า, าเรียกปั จ, จวเวชนาในการพิจารณาปัจจัยทั้งหลายดังที่เรื่องปรีฐานอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอันนี้โดยรวมมันคือตรงนี้นี่แหละแต่ถามว่าเอสัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาใช่ไหมเป็นองค์ถามว่าเมื่อศรัทธาเนี่ยว่า ที่ว่าโสตาปจิยังค่าธรรมนี้ถามว่าคนที่มีศรัทธาสมบูรณ์จริงๆตรงจริงจะต้องเป็นระดับท่านท่านพระโสดาบันทีท น, ทนี้อย่างเ ร, เราเนี่ยระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นเนี่ยถามว่าจิตละปลารบคุณของพระุทธเจ้านอบน้อมเพียงใดประการต่อมาก็วิริยะใช่หไหมการปารบสังเวกวัตถุเนี่ยเวลาเห็นคนแก่เวลาเห็นลูกเห็นใครต่างๆเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมอ้การปลารบในการที่เราจะ ว่าเรายังไม่พ้นจากตรงนี้ได้ยินเสียงเด็กร้องก็ให้ตรึกลงทันทีใช่ไหมสังเวระวัตถุต้องเกิดได้สติต้องดีคนที่จะปรารบได้ตรงนี้จริงๆก็คือสติต้องดีว่าโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับแปล ว, ว่าบางคนถือที่ถีมานะมากเราอายุมากคนจะต้องเคารพจะต้องสักการะจะต้องบูชาเราแต่ถ้าในสมนวนของพระพุทธในความในคําสอนของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไม่รู้ตัว เขาจะเป็นทารกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาอีกไม่กี่วันและ้ะคือพระองค์จะรู้ใช่ไหมว่าท่านคนเนี้ยจากเป็นพาราหมณ์ผู้เท่าอายุตั้งร้อยี่สิบปีคนอื่นใครไปใครมาเคารพเดี๋ยวก็กลายเป็นเด็กทารกคือแวบเดียวเดี๋ยวก็จะเป็นเด็กทารกแล้วนี่เพราะเราไม่รู้นี่เองเราก็เลยมีมานะยึดตัวถือตนกันอยู่อย่างนี้ว่าเรามีเราเก่งเราดังเราเด่นเรารวยคือมันจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไอ้ไอไอสภาพตรงนั้นเนะียอยู่กันแบบประเภทที่ไม่รู้เรื่องเนดะีย๋ยวมาพี่ารณจริงไหม ไม่รู้จหมดวมื่อไหร่จะมามาอีกทีพวกไม่วายซะแล้วเพราะมันไม่ได้มาแบบสองขาเดินดีเนี่ยมาอีกทีพวกโอ้ไม่เอาแล้ะไรมันจะเข้าบ้านนะขนเต็มตัวเลยมาเข้ามาบ้านได้ไงโอ้ไล่เลยเต็มก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยเนี่ยนะนี่คือสังเวชวัตถุถามว่าปารอบอย่างนี้บ่อยไหมถ้าปารบไม่บ่อยก็แปลว่าคนที่มีอินทรีย์อ่อนแล้วสะติ ล, ละไรลึกในสะติปัฏฐานดีไหม สมาธิโอจริงๆก็วัดกันวัดกันที่ฌานนี่ยารบวิโมกปารบฌานสมาบัติแล้วปัญญาแหละตารบในลักษณะไหนปารบในการพิจารณาเห็นสังสารวัตเป็นภัยน่ากลัวจริงๆเลยเนี่ยน่ากลัวมากเบื่อหนายตั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยภายในภายนอกยาวละเอียดเห็นอยู่อย่างนั้นจริงๆนียแล้วจริงๆก็จะต้องตรวจพิจารณาได้อย่างนี้ท่านวัตถุที่เราเห็นนั้น มันเป็นเป็นเหยื่อของตัณหาหมดเลยอ่ะแล้วถามว่าเอ๊ะทําไมเราไม่พิจรารณาเหมือนเอ๊ะทําไมใจถึงน้อมก็หาเดวิถีน้อมก็หาเดวิถีถามว่าเวลาน้อมก็หาวิถีแล้วประจิตประเภทไหนเกิดต้องตรวจดูให้ดีถ้าน้อมหรืออ่าน้อมถ้เป็นกุศลเกิดถามเป็นกุศลฉันทำมาเออระดับไหนอย่างไรก็ตรวจสอบดูเราจะได้เรียนอีกทีวันีมันก็ต้องคิดให้เป็นใช่ไหมตอนนี้ก็ยังท่องท่องทองท่องก็เนี่ย เพราะหลุดไปมาก็อ้าวไม่ต้องมาเรียนกันต่อไปไม่ต้องมาฟังว่าทำแล้วต่อไปฟังไม่ได้ใช่ไหมถ้าตรวจสอบในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นใช่หไหมเรารู้รทันทีเลยว่าบางทีเนี่ยเหตุปัจจัยที่จะส่งเสริมอินทรีย์เราต้องหาสิ่งนั้นแต่เหตุปัจจัยไหนที่ทําให้อินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันลดมันหายต้องหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นทําไมต้องหลีกเลี่ยงโอ้ถ้าอยู่ใกล้แล้วมันหายเนี่ยหายแล้วใครเสียหายเลย เราก็ต้องกลายเป็นบุคคลที่หมดศรัทธานในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จริงๆก็เวียนไปเวียนมา ก, กันอยู่อย่างเงี้ยนะและกลายเป็นบอกว่าโอ้ยออกจากอ้อมอกข่ออกแม่ไม่ได้เลยว่าแม่เนี่ยมีบางคนก็บอกว่าเขาจะคิดยังไงจะให้ดูว่าเขาจะได้โตที่กี่แล้วก็ดูๆก็เหมือนคนไม่โตเลยมีครอบคัวก็เหมือนไม่โตก็เลยบอกว่า ก็อย่าอยู่กับความฝันถ้ามันจริงๆมันโตแล้วเม็ดมะม่วงเนี่ยเวลาปลูกลงไปเนี่ยปลูกลงไปพวกเนี่ยมันออกผลออกมาไอ้ผลมะม่วงไมีเม็ดมะม่วงเนลยมันสืบเนื่องมาจากเม็ดมะม่วงจริงแต่มันผ่านอะไรมาอีกมากมายผ่านมมวิธีการอีกเยอะแยะกว่าจะมเป็นเม็ดมะม่วงให้รู้ว่า น, นี้มันเม็ดมะม่วงเม็ดใหม่ที่สืบเนื่องมาจากเม็ดเก่าให้สําคัญให้ถูกตรงนั้นเสียเราจะได้ชัดเจนว่าตอนนี้เราเป็นใครไปยๆมาไอ้ปุโรชนเนี่ย ไม่เลยไปไมาไม่รู้เราเป็นใครเลยยุ่งเลยอย่างนี้มีสภาพของตัณหานี่ต้องการให้ได้เมื่อทําการสง่งเคราะห์เข้ากันอีกตัณหาก็มีหกหมวดเท่านั้นคือความยินดีพอใจในรูปยินดีพอใจในเสียงยินดีพอใจในกลิ่นยินดีพอใจในรสยินดีพอใจในสัมผัสและยินดีพอใจในธรรมารมใช่ไหมโดยอาจที่แสดงว่าตัณหามีสามอย่างนี้เท่านั้น ก็มีกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเยอะไหมก็มีในลักษณะเช่นเนี้ยถามว่าลักษณะของตันหาเป็นอย่างไรบอกวา่าลักษณะของตันหามีการยึดไว้เป็นลักษณะสภาพของตันหาต้องมีการยึดไว้เป็นลักษณะถามว่ า, ายึดอะไรอตัหอนหายึดอะไรยึดในรูปเสียงกลิ่นร ส, สในสัตว์รงในเสียงในสิ่งต่างๆนะถ้าสภาพของตันหาเกิดขึ้นต้องมีการยึดไว้มีการไม่ปล่อย เหมือนไหมเหมือนอุปาทานไหมแท้จริงเออขอโทษทีตัณหามีสภาพของการยินดียินดีแต่ยังไม่เข้าถึงสภาพที่ยึดไว้สภาพของสภาพของตัณหาเป็นอย่างนั้นเป็นเหตุของทุกข์ทั้งปวงะเป็นลักษณะขอโทษทีตรงนี้เพราะถ้าไปยึดเนี่ยมันสภาพของอะไรอุปาทานแท้จริงเขายินดีแล้วก็มีการเป็นเหตุของทุกข์ทั้งปวงเป็นลักษณะเอท่านมองตรงนี้ดูสภาพตัณหาที่ว่าเป็นเหตุของทุกข์ทั้งปวงเนี่ยในที่นี้ ท่านให้มองหนึ่งเนี่ยว่าตัณหาเป็นทุกข์นะสภาพตัณหาที่เป็นทุกข์ด้วยและก็เป็นเหตุ ข, ของทุกข์ได้ด้วยมีความยินดีพอใจในอารมณ์ในภูมิและในภพเป็นกิจถ้าอย่างนี้จบเบ็ดเสร็จเลยสภาพของตัณหาจะยินดีพอใจในภพในภูมิในอารมณ์ทุกๆอารมณ์เนี่ยในขันทุกทุกขันในสภาพความเป็นอยู่ทุกๆสภาพนั่นคือสภาพของตัณหาเป็นอย่างนั้นมีคนคนหนึ่งก็บอกว่าเขาดีใจมาก ถ้าหากว่าเขาได้ไปดูสิ่งที่ตรงไหนสวยๆงามๆถ้าไปเห็นภาพเห็นที่เขาแกะสลักเนี่ยบางทีเขาอดความรู้สึกไว้ไม่ได้เลยเมื่อไปเห็นแล้วสักครู่หนึ่งเนี่ยเขาจะต้องอยู่ไม่ได้เขาาทนไม่ไหวเขาปราบปลื้มเขายินดีเขาปีติกวางเงินหนึ่งแค่ยังภาพแกะสลักเนี่ยเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่เมื่อไปเห็นแล้วเนี่ยเขาโอ้โหมใจดีใจชื่นใจ สุขใจยิงยินน่งอนี้อันนี้คือสภาพความพอใจในลมเห็นไหมว่าอสภาพความพอใจในอารมณ์อย่างเงี้มันเป็นตัณหา น, นปีติเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะเป็นกุศลอย่างเดียวเนี่ยโลภะปิติจะเกิดได้ไหมเห็นไหมสภาพปีติเนี่ยอ๋อถ้าหากว่าโลภะกับตัณหาสับเดียวกันเลยใช่คือสภาพของบางครั้งเรียกราคะบางครั้งก็เรียกตัณหาบางครั้งก็เรียกนั่นที่อุปาทานนั้นแต่ถ้าว่าโดยถ้าว่าโดยอัดแล้ว เออถ้าว่าโดยสภาพขององค์ธรรมหรือโดยอัดเลยทิฏฐิด้วยจะต่างกันหมดใช่ใช่ทีนี้ปัญหาอยู่ตรงที่อย่างนี้ตันหาหรือโลภะเนี่ยก็แท้ที่จริงก็คือโลภะทีนี้ถามว่าแล้วอุบาทานล่ะอุบาทานก็เว็นตนาด้วยแต่เป็นตันหาอย่างแก่ก็อุบาทานเอาอย่างนี้เอาเอาอย่างนี้เลยถ้าความถ้าความร้อนสามสิบ กับความร้อนสี่สิบพระเจ้าไหมก็ได้เลยก็ได้หล ะ, หละความร้อนสือันสิบกับความร้อนสี่สิบแต่ว่ามันเป็นความร้อนเหมือนกันใช่ไหมแต่มันร้อนมากทีนี้มันเป็นปัญหาเหมือนกันไหมบอกใช่แต่เป็นปัญหาอย่างแก่มันมีอะไรแก่ด้วยบอกถ้าพูดถึ ง, ถ, งถึงในลักษณะของอย่างนี้ก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องดูสภาพตรงนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าเออเป็นอย่างนั้นจริง นั้นความเป็นเหตุของทุกข์ทั้งปวงนี่แหละเป็นลักษณะมีความยินดีพอใจในอารมณ์ในภพในภูมิต่างๆนั่นเองเป็นการงานของปัญหาทีนี้ถามว่ามีสภาพความไม่อิ่มในอารมณ์ต่างๆของจิตและของบุคคลนะทะานั้นหน้าในบุคพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีปัญญาทั้งหลายมองกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาแล้วท่านจะรู้ทันทีเลยว่าสภาพของบุคคลที่มีปัญหานั้นไม่เคยอิ่ม ในอารมณ์เลยมีไหมสภาพของตัณหาเขาพอตัณหาจะไม่พอในอารมณ์ทุกทุกอารมณ์จะไม่มีความรู้สึกว่าอิ่มแล้วพอแล้วไม่ต้องการแล้วไม่เกิดแล้วไม่อยากเกิดแล้วไม่แไปที่ไหนแล้วหยอดเชือของการเกิดไว้หมดขาดติดยางเหนียวพ่อพูนปัจจัยการเกิดด้วยหมดเลยนะลักษณะของตัณหาจะเป็นเช่นนั้น แต่ยินดีพอใจในอะไรก็นั่นนั่นแหละคือไปฉาบไปติดเข้าไว้แล้วในที่สุดจริงๆก็แปลว่าจะต้องทุกข์อีกนะนการมองเนี่ยถ้าหากเป็นพระยะในพระวินัยในวินัยของบริ ย, ยัติท่านจะมองกลุ่มผู้ดชนหรือบุคคลที่ยังหลงอยู่ในวตัตตะทั้งหลายนี่ก็จะมองแบบเช่นนี้ที่โอ้โหยุ่งเหยิงมากคือไม่รู้จากต้นจากปลายแล้วชีวิตเหมือนได้ที่ยุ่งแล้วนั่นง คือมันทําให้ยุ่งหมดแล้วเลยไม่รู้ว่าปลายกับต้นอยู่ตรงไหนแล้วไม่มีทางออกเลยไม่รู้จะออกอยังไงสางไม่จบเลยว่าแม้แนะต่นะเพราะตานี้เป็นอย่างนั้นเลยนะถ้าเราจะมาคิดถึงกรรมที่เคยทําทุจริต ก, กรรมก็ดีสุจริต ก, กรรมก็ดีที่เคยทําในอดีตและที่ได้รับผลไปแล้วก็ส่วนหนึ่งและที่ยังไม่ได้รับผลอีกส่วนหนึ่งแปลว่าวิบากที่จะต้องเกิดขึ้นจากกรรมนะั้นถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนะี่ ลองมาคิดคิดูดิแต่ว่าใครเป็นผู้สร้างไว้ตัณหานะตัณหาเป็นตัวสร้างเขาไว้ในการที่จะทํากรรมทั้งพบที่เป็นกฝ่ายดีพบที่เป็นฝ่ายไม่ดีขันที่เป็นฝ่ายดีขันที่เป็นฝ่ายไม่ดีปดแปลว่าเหตุเหล่านั้นตัณหาเพราะเชื้อไว้หมดได้ยังเพราะเชื้อไว้หมดแล้วในอดีตตัณหาเพราะเชื้อไว้หมดแล้วนะ่ไม่ว่าจะความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมารมที่เธอกระทามาเนะี่ย ทั้ที่เป็นกายสุดเฉลี่ยกายสุดเฉล่ยวจีสุดเิตี่ยวจีสุจริลีมโนสุจริลและมโนสุจริลที่เคยทําไวแ้แน่ดิแปลว่าทําหมดแล้วผลบางอย่างก็รับแต่บางอย่างที่มันยังไม่ได้ส่งผลอีกมากมายนะแทบบอกว่าแาบจะไม่ต้องทําใหม่ก็ยัื่องต้องรับอีกนานเนะี่ยอยู่อย่างเช่นนี้ที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องทําไม่ต้องอะไรเลยก็ยังไดต้องรับผลอีกนานว่างั้นเถอะแต่ปัญหาว่าอยู่แบบได้รู้อี่นแหละค่อนข้างจะดีมากกว่าเอยไม่ดีมากกว่าดีเสียเลย บางทีมาอยู่กันอย่างนี้ก็มานั่งกินบุญเก่ามันอยู่เนี่ยเสียเลยเลยมาอยู่ใช้ตาใช้หูใช้จมูกให้มันหมดไปวันวนี่นั้หมดไปวันวันนั้นยังไม่พอเนี่ยต่อด้วยสร้างบาปเพิ่มขึ้นมาอีกเสียเลยเลยมีวิถีอยู่หกทางใช่ไหมจากขุทวารลวิถีทางตาวิถีวิธีคิดทางตาโสตทวารและวิถีวิถีทางหูการณ์ทวารและวิถีทางจมูกชิวหาทวารลวิถีทางลิ้นกายทวารและวิถีวิถีทางกาย แล้วก็มนโนทวารวิถีก็งั้นวิถีทางใจขอกวิถีไหมในหกวิถีเนี่ยโดยมากรตนาเกิดหมดเลยคือเสียเลยนะวิถีที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยน่าจะได้บุญดนะังใช้คําว่าหน้านะวอดทพนาไม่ดีก็งนะั้นเลไปโทษแค่วอดทพนาไอ้พวกที่ไม่จับแผนไม่ไม่ไม่ปรับวิธีคิดการกระทานะก็กล่าวว่าเออคอยคอยจ้องต้องวอดทพนาก็แล้วกัน ให้ตัดสินดีๆไว้เสียเลยนั่นจะมีดีไ ด, ด, ด้นันก็วิปลิตเลยใช่ไหมม่จัดแจงพระพิฆเนศบอกว่าเห็นหน้าคนนี้เมื่อไหรค่อยทําใจพรู้เลยคนคนนี้แต่เห็นแล้วไม่ไม่พอใจแน่บาปเกิดแน่อกุศลเกิดแน่แต่แต่เห็นเมื่อไร่ค่อยทําใจก็เลยใช้วิธีว่าใครก็ได้ไปอย่าให้เห็นคนคนนี้นะว่าองั้นคุยกับใครก็ได้แต่ขออย่าคุยคนต่คคนๆๆนี้เลยทีนี้มันฝังอัศยาสัยตรงนี้ มันฝังไปในหลายๆพบเลยใช่ไหมมันเลยฝังไปถึงขนาดว่าขณะไหนเขาเปลี่ยนร่างมายังไม่พอใจนะ <c oughs> เขาเปลี่ยนมาทุกรูปแบบแล้นยนะตาก็เปลี่ยนหูก็เปลี่ยนจ้หมูก็เปลี่ยนปาก็เปลี่ยนลิ้นกายเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเป็นสัตว์อื่นมาด้วยมาถึงไม่พอใจเลยไล่ออกจากลบ้านก็เ <c oughs> สียหายเลยบอก <c oughs> แก่เห็นหน้าลงไม่พอใจตะเกียจเกลียดดว้วงนม่นเนี่ย <c oughs> ตั้งอัธยาศัยไว้พี่เมื่อทีมาเป็นโลกเนี้เกลียดเลย เขาพยายามมาใกล้จนมาเป็นลูกนะก็ ย, ยังเกลียดดีเพราะอัตยาศัยที่สร้างความเกลียดไว้มองเห็ น, หนไหมว่าเอสภาพของการตั้งอัธยาศัยวิธีคิดที่ผิดเนี่ยมันสั่งสมไปหลายทศถ้าคนไม่รู้จะเป็นลักษณะเช่นนี้ถ้าเขามาทุกรูปแบบรังเกียจหมดเหลืออย่างเดียวแต่ น, นี้ยเป็นพยาธิเลยมาไอทีก็เป็นพยาธิในท้องเลยทําลายกันเลยแต่ น, นี้ยเสียหายแล้วมันเป็นโรภคภัยไข้เจ็บบ้างอะไรบ้างคิดออกไหมเนี่ยเราพูดอย่างนี้คิดออกไหม มีความไม่อิ่มแน่ลมนะแล้วก็มีเวทนานั่นแหละเป็นเหตุใกล้ท่านถึงบอกว่าไงเวทนานั้นเป็นวิบากพระเถระประสงค์เอาว่าเวทนาเวทนาสมุทยากเวทนาเป็นเหตุใกล้คำว่าเป็นเป็นเหตุใกล้เนะถึงแม้ว่าเป็นวิบากแต่ก็เป็นเหตุใกล้ของตัณหาเป็นเหตุใกล้ของตัณหานั้นเป็นเหตุใกล้ในที่ไหนเป็นเหตุใกล้เป็นปัจจัยแห่งตัณหาในทวาร ้ตอบว่าอย่างไรบอกเป็นปัจจัยพระเวทนาเป็นสิ่งที่น่ายินดีอธิบายว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายยึดมั่นเวทนาว่าเป็นของของเราด้วยความชอบใจต่อสุขเวทนาที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะเราจะเป็นผู้ยังความทยานอยากเวทนาให้เกิดขึ้นแล้วยินดีแล้ ว, ด, ลวด้วยความกำหนัดยินดีเวทนาปราถนารูปที่ได้เห็นแล้วนั่นแหละ และขั้นได้รูปนั้นแล้วก็ชอบใจทั้งสักการะแกบช่างเขียนผู้ให้อารมณ์เป็นต้นเนี่ยในลักษณะของบอกว่าเอะถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าทางจักขุทวานน่ะทางจักขุทวานเนี่ยถ้าใครก็ได้อยงทำภาพทำาสวดทรงทำรูปภาพต่างๆเนี่ยที่งามที่ทำให้เวทนาประกอบปีติเกิดขึ้นกับเราได้คนคนนั้นได้รับรางวัลมาก คนคนนั้นได้รับรางวัลมาขนาดเอามองกุฎสวมใส่ให้ยังให้เลยเข้าไห ม, มอบเงินเป็นล้านยังมอบเลยเพราะว่าคนคนนี้มองแล้วให้สุขเวทนาได้ในกลุ่มชนกลุ่มนั้นเนี่ยในกลุ่มกลุ่มชนนี่ก็บอกว่าโหโลกนี้งามมากอะเป็นล้านก็ก็ให้ยรองตัวในยุคปัจจุบันนี่พัเครื่องนี่ที่อุที่ราคาสูงที่สุดนี่อยู่ที่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ถึงร้อยล้านมีไหมมีจริงไหมเขาบอกว่านี้ราคานี้หกสิบล้าน ก็ออกนงินซ <Oh, oh oh, ื้อบิมเนี่ยเขาบอกโอ้โหที่หกสิบล้านก็ดูสินี่ะนั้นคืออะไรเพราะภาพนั้นรูปนั้นให้อะไรให้สุขเวทนาให้สุขเวทนาใช่ไหมให้ปีติให้ความอิ่มใจให้ความพอใจนี่คือโสตทวารลิขิตนี่คือจักรุทวารผ่านวั้งจักรุทวารทางต่างรูปรูปนั้นถ้าถ้าดูแลทุกข์เหลือเกินเนี่ยภาพนั้นแย่มาก ภาพนั้นแย่มาทั้งๆที่เป็นภาพที่ดีที่สุดเก่าแก่ที่สุดแต่คนดูแล้วทุกใช้ปืนยิงเลยระเบิดทําลายทรงเลยเพราะเขาดูแล้วก็ทุกเขาเห็นแล้วไม่ได้เขาปวดใจทั้งๆที่ภาพเนี่ยนะถ้าบอกถามอายุเก่าแก่ที่สุดเนี่ยเนีะแต่ว่าภาพที่เขายิงที่เขาทาลายอ่ะเป็นภาพที่เก่าแกกว่าพระที่เรากําลังบูชากันหกสิบเจ็ดสิบล้านนั่นคืออะไรเกิดขึ้น เขามองเอาแค่ว่าให้ได้เวทนาอะไรเท่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มองถึงว่าเขาไม่ได้มองว่าถ้าเห็นภาพนี้เขาจะเจริญกุศลได้สาระคือศีและสาระสมาธิสาระปัญญาสาระนี่เขาไม่ได้คิดตรงนี้ไงเขาไม่ได้คิดถึงสาระที่เป็นกุศลอะไรเลยมองเห็ น, นยังไงตรงนี้ว่าเป็นอย่างนั้นเองตรงนี้ถ้าเรามามองในล่างหน่อยในโสตถวารน่ะในวิถีอ่ะบางทีเนี่ยในกลุ่มของบุคคลที่ที่คิด คิดจะหาเหยื่อหาปัจจัยทั้งหลายนี่เขามองไงด้วยเขาก็มองรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวิธีคิดของเขาเขาก็กจะทํารูปอย่างนี้ออกมาไงที่จะสามารถทําให้ได้เงินเยอะๆประมานี้ก็แปลว่าจะต้องสร้างภาพออกมาที่มองแล้วมันเกิดสุขเสียงก็เหมือนกันคุณภาพของเสียงเรื่องของเสียงก็จะต้องทําออกมาเพื่อให้มันได้สุขเวทนาเป็นต้นนั้นสภาพอย่า ง, ง น, น, านั้นกึตัลธ์หาในนี้จึงเป็นปัจจัยเกิดเวทนาได้ทุกๆทวารเลย สัตว์ทั้งหลายปรารถนาเสียงนั้นซึ่งเป็นที่น่าปรารถนาแล้วก็คันได้แล้วก็ชอบใจเสียงนั้นเป็นต้นก็กระทําสกาละกลุ่มนี้ก็คือพวกนักดีพินช่างปุงน้ําหอมช่างทอแล้วก็ผู้แสดงศิลปะนาน า, นาชนิดเป็นต้นนัะเดี๋ยวนี้เขามีเขามีอยู่จุดหนึ่งไอ้เกี่ยวในเรื่องของเสียงไอ้ปกติเนี่ยไอ้เขาเรียกหนังตะลุงภาคใต้เขาเรียกอะไรเขาเรียกหนังไอ้ใช้ตัวหนัง ตัวหนังที่เข้ามาเจาะเป็นตัวหนังเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะมันไม่มีอะไรจริงเนี่ยถ้าดูจากภาพะเออในภาพมันก็ให้เพราะเป็นภาพที่กขาชักเนาะชักหุ่นวิกะนั่นแหละมีปากพูดได้แต่ว่าเขาเน้นเสียงเน้นภาษาภาคเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เน้นภาษาภาคเฉพาะแต่ภาษาใต้นะเขามีภาษาอังกฤษเก็ด้วยอย่างนี้เป็นต้นหรืบอบางทีก็ภาพคคุนภาษาลาวบ่างภาษาเหนื อ, อบ้างภาษาอะไรต่างๆเอะไรเนี่ยนะมันก็เลยพาให้โอ้โหคนฟัง ชอบจใจคือชอบใจเสียงเลยแล้วก็ชอบที่จะดูเลยก็อุอ้ยสงภาระกนอนุรักเขาไว้ อ, อนี่คือไปดูแล้วได้เลยได้สัทธาตัณหาไหมแล้วก็ได้รู ป, ปรตัณหาด้วยใช่อ่าถ้าจะให้ครบบริบูรณ์ก็ว่าที่ตรงไหนที่สมบูรณ์เกีย่ยวในเรื่องของกามมากที่สุดก็คือตัณหาทุกอย่างว่าคือว่าจะต้องมีรู ป, ปรตัณหาเป็นอย่างดีมีศัทธาตัณหาเป็นอย่างดี ยังมีคันท่าตัณหาเป็นอย่างดีเพรักษาตัณหาแล้วก็โพธิพัตัณหาแล้วก็มีธรรมะตัณหาเป็นอย่างดีเนี่ยคือจะต้องมีตัณหาเหล่านี้เป็นเครื่องรองอไปและติดสนึบเลยตรงนี้ต่อไปก็ได้ความเพื่อเพลินกลับมากลับมาอย่างยิ้มแบ้นเลยอย่างี้นนะก็มาถึงบ้านยังคุยฟุ้งอยู่นะวู้สนุกทําไมไม่ไปว่างั้นนะถึงว่าถ้าหากว่าเราไปอยู่ณนะที่ตรงไหนถ้าไม่พิจารณาจริงๆและรัการตัณหาไหวนะ้เห็นไหมว่าเนี่ยตรงนี้สำคัญ แทนถ้าเราการตรงนี้ไม่ได้แล้วก็บอกทำไมเราปฏิบัติธรรมไม่ค่อยเยินเลยก็<_><_> <ละ S 1> เราไม่เคยปัจจัยขณะในการที่จะพิจารณาจะพิจารณาแล้วเสพของพิจารณาแล้วใช้พิจารณาแล้วบริโภคพิจารณาแล้วกินพิจารณาแล้วหม่มนุ่งหม่มพิจารณาแล้วใช้อาบน้ำเอาเลยคือไม่ได้เคยพิจารณาในการที่จะการตัณหาเลยแล้วบอกอุ้ยตอนนี้ปฏิบัติธรรมไม่ค่อยได้ผลเลยอยู่นี่เลยจะทำยังไงไม่ได้นะยที่ตรงนี้จะต้องรอบรู้ คือเราต้องรอบรู้ว่าเป็นทุกข์และเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรก็จะต้องรอบรู้ตรงนั้นก็จะต้องการตัณหาเพราะสุขเวทนาก็ให้ตัณหาเนี่ยเพราะเวทนาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดเวทนาดับตัณหาดับรู้จากเหตุเกิดรู้จากความดับรู้จากคุณรู้จากโทษใช่ไรู้จากการที่จะรู้จากอาศะารู้จักอาทีนว่ารู้จากข้อปฏิบัติที่จะออกจากสิ่งต่างๆแล้วนั้น เมื่อตัณหาเกิดเออเมื่อเวทนาเกิดตัณหาก็เกิดเมื่อเวทนาดับตัณหาก็ดับตัณหาคือว่าเอ๊ะแล้วข้อปฏิบัตินะที่จะให้เข้าถึงความดับของตัณหานั่นก็คืออริยมรรคมีองค์แปดเหมือนอย่างลายเหมือนแม่ผู้รักลูกทําสักกาละแก่แม่นมเคยเขาดื่มและบริโภคเนยใสและนมที่อร่อยเป็นต้นเพราะความสเสน่หาในลูกเออถ้าพิจารณาอย่างนี้บอกว่าแม่ รักลูกทำสาักการะให้สิ่งของแก่แม่นมแก่คนเลี้ยงลูกให้ดื่มน้ํานมให้บริโภคเนยแล้วก็นมที่อร่อยเพราะอะไรเพราะรักเพราะผูกพันในผู้เป็นลูกเป็นต้นนี่ไหมในลักษณะอย่างนี้เนะี่ยตัณหาเขาให้อะไรล่ะือเวทนาสุขเวทนาเขาให้อะไรแก่ตัณหาทุกเวทนาให้อะไรแก่ตัณหาอุเบกขาเวทนาให้อะไรแก่ตัณหาที่เกิดจริงๆก็คือให้ตัณหาหมดเลย ถ้าได้ทุกขเวทนาก็กระสับกระส่ายไปหาสุขเวทสุขไอ้หาสุขเวทนาใช่มเจ้าเบียขาเวทนาก็ยินดีพอใจเบื่เย็นสงบดีช่วงนี้ว่างั้นนะี่ีสภาพตัณหาเป็นอย่างนี้นะเมื่อคุณในการใดแลเรียสาวกรู้ชัดอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดตัณหาความดับตัณหารู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับตัณหาถ้ารู้อย่างนี้แลจะละราคานุละละ ละราคาได้ไหมเจะละราคานูใสได้แล้วก็ถอนปฏิคานูใสละทิฐิมานะธรรมละวิชาได้โดยประการและทั้งปวงธรรมวิชาคืออรหัตธรรมให้เกิดขึ้นนี่แหลจะเชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัทธรรมนี้ประการต่อไปขึ้นเวทนาวลาเนะ่ภิกษุเหล่านั้นกาบเรียนถามในข้อที่ร้อยี่สิบสอง หน้าที่ห้าร้อยสามสิบเอ็ดเกตนาผัด ส, สามนุษการนี้เป็นกลุ่มของสังขารและขันก็หมายถึงพระเถระคือท่านภ า, ศ า, ศ า, ศาฤฤฤษาดิบุตรนั้นแสดงสังขารและธรรมทั้งหมดนะธรรมที่เป็นสังขารคําว่าจัตตาริในคําว่าจัตตาริมหาภูตานี้นี้ได้กําหนดหมายการนับจํานวนบอกนับจํานวนอะไรนับจํานวนมหาภูทรูปทั้งสี่นั่นเอง นับว่าดินน้ำไฟและกลมคำว่ามหาภูตานี้นี่เป็นชื่อของดินเป็นชื่อของน้ำเป็นชื่อของไฟเป็นชื่อของลมแต่เหตุที่เรียกสิ่งทั้งสี่อย่างนั้นว่าเป็นมหาภูตและในแห่งการวิจวินิจฉัยอย่างอื่นในนามรูปนี้ทั้งหมดได้กล่าวไว้แล้วนะกล่าวไว้ในไหนกล่าวไว้ในปริเฉทที่หกว่านะหรือกล่าวไว้ในรูปประขันในคมภีวิสุทธิมรรค ถ้าพูดถึงรูปนี่รายละเอียดได้กล่าวไว้ว่ากล่าวไว้ดินน้ำไฟลมที่เกิดจากกรรมดินน้ำไฟลมที่เกิดจากจิตดินน้ำไฟลมที่เกิดจากอุตุดินน้ำไฟลมที่เกิดจากอาหารเป็นสมุทฐานมีใช่เกี่ยวกันในเรื่องของมหาพูธรูปจะตุนนางในคาว่าจะตุนนงจากมหาพูตธานางอุปาทานนงเนี่ยนะอาศัยซึ่งมหาพูทธรูปว่างั้นในคำคำนั้น อุปาทายรูปมีอาศัยอะไรบอกอาศัยมหาภูทารูปนิสัยเป็นชื่อคาว่าอาศัยในยในกลุ่มของมหาภูทารูปนั้นมีอยู่สี่ใช่ไหมมีปัทวีอาโปโตเตโชแล้วก็วายโยแล้วก็รูปอีกเท่าไหร่ยี่สิบสามอุปาทายรูปมีทั้งหมดเท่าไหร่จริงๆยี่สิสี่นะที่ตรัสไว้ในพระพารีในคัำพิธีพิธรรมและแยกประเภทเป็นจักขายาตนะเป็นต้นนนั้นก็จะเป็นรูปแม้ทั้งนั้นนั่นเอง วิญญาสมุทยานี้วิญญาณใดเป็นปัจจัยของนามรูปอย่างเดียวด้วยบอกว่าวิญญาณเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นเหตุเกิดของนามและรูปเพราะฉะนั้นในเรื่องของนามและรูปเนี่ยมีวิญญาณเป็นปัจจัยเหมือนในปฏิจจะถามว่าวิญญาณอะไรนะเป็นปัจจัยแก่นามรูปเขาบอกว่าปฏิสนธิวิญญาณและก็ประวัติวิญญาณดีไมะ ในขณะปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยการย่างลงการถือปฏิสนธิเกิดขึ้นนั้นเน่ยปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยทาหน้าที่ในการเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วตัวปฏิสนธิวิญญาณก็ต้งบอกว่าเมื่อปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นมาแล้วเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดบอกเป็นปัจจัยให้นามารูปเนีเกิดขึ้นมาถามเป็นปัจจัยในฐานะไหนบอกเป็นปัจจัยในฐานะถ้าเป็นปัจจัยให้กันนามเนี่ เกิดร่วมกันด้วยเกิดพร้อมกันด้วยใช่ไมเขาเรียกสหาชาตะและก็เป็นสหาชาตะนิสยาได้ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยะคำว่าวิญญาณเป็นปัจจัยแก่าน้ำรูปเนี่ยถามว่าเป็นปัจจัยในลักอย่างยกตัวอย่างเช่นวิปากวิญญาณเนี่ยนะเป็นปัจจัยช่วยวุคกาแก่าน้ำเนี่ยนะในด้านของสหาชาตะได้สามารถที่จะเกิดพร้อมกันได้ ซึ่งการและการได้เป็นที่อาศัยได้อยู่ในกลุ่มของวิบากได้อย่างเงี้ยสำประยุทธ์ก็ได้อัติยังไม่ปราศจากไปอย่างนี้ได้เลยลักษณะที่เขาเป็นปัจจัยนะถ้าถามบอกว่าในขณะที่ปฏิสนธิครั้งแรกเนี่ยในขณะนั้นนามมีไหมมีนามเกิดร่วมด้วยและรูปก่าวคือปฏิสนธิกรรมมชรูปก็เกิดพร้อมนั่นแหละ การอย่างลงปฏิสันที่เนี่ยในสัตว์ที่มีภูมิขันในในภูมิที่มีขันห้าเนี่ยเนียนิดเดียวแค่นั้นมีขันห้าเกิดครบเลยฉะนั้นถ้าหาว่าใครไปฆ่าใช่ไหมไปทํามีเจตนาในการที่จะฆ่าสละเอาจัดในท้องออกมานนีเนี่ยถือว่าฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยเจตนาในการที่จะฆ่าแต่คนในทุกวันนี้เขาไม่ค่อยคํานึงกันล้อกัน ก็อยจะไปคำนึงกันนะอุ้ยแต่ทําทอย่างนี้เราจะเป็นบาปเป็นกรรมนเนี่ยก็ไม่เคยคํานึงกันหนึ่งหนึ่งทำไมก็ไม่คํานึงก็ท่าไม่รู้ว่าเขาทำกรรมหนักเลยนะบางคนอุ้ยหล่นลงหล่นน่ะลงเห็นสุนัขตายลายตายนี่ไหมไม่เนี่ยแต่ถ้าลูกในท้องถ้าจะเกิดขึ้นมาว่าจะเป็นบ้าเป็นใบนบอดหนวก เ, เป็นต้นเหล่านี้เขาบอกตั้งเขาออกซะก่อนถามทาไมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขามีออกมาแล้วจะสร้างปัญห า, างนั้นเขาก็ตัดปัญหา พยามอะไรบอกว่าอากุศลกรรมจะส่งผลก็ตัดปัญหาก่อนซะเลยในํำนองนี้แท้ที่จริงเขาไม่รู้เพราะเขาทำกรรมหนักไปซะแล้วนะเพราะอะไรยังรูปประชีวิตนามาชีวิตให้ขาดรอนไปซะแล้วให้ตกล่วงไปซะแล้วนั่นแหละมีปฏิสนธิวิญญาณวินตนนั่นเองเป็นเหตุใกล้ ตรงนี้พระเถระจึงกล่าวบอกว่าในการใดแลริยาสาวกรู้ชัดนามรูปรู้ชัดว่านามก็คือรู้ชัดเวทนาผัสสะสัญญาเจตนาแล้วก็ผัสสะรู้ชัดรูปก็คือรู้ชัดมหาภูธรูปรู้ชัดอุปาทายรูปคือกลุ่มของรูปที่อาศัยนี่รู้ชัดของนามและรูปรู้ชัดเหตุเกิดของนามรูปรู้ชัดวิญญาณ น, นั่นเอง รู้ชัดทั้งปฏิส่วนที่วิญญาณสิบเก้าและปวัติวิญญาณสามสิบสองเลยาเรียกโลกียประวัติวิญญาณสนะามสิบสองซึ่งเป็นเหตุเกิดของนามและรูป น, นั่นเองคือตัวจิตนั่นเองนะีรู้ชัดทั้งนามรู้ชัดทั้งตัวจิตรู้ชัดทั้งรูปเพราะตัวปฏิส่วนที่นี่อเองเป็นเหตุเกิดเมื่อปฏิส่วนที่เก้าลงอย่างลงใช่มในพบหนึ่งภูมิหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ใช่มาแค่ตัวปฏิส่วนที่ นามมาด้วยรูปก็ทํากิจในการปฏิสนธิด้วยเขาจึงเรียกอะไรนะเขาเรียกนี้เขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธินามปฏิสนธิรูปห่ดเงยเพราะทํากิจปฏิสนธิหมดเลยทํากิจเกิดหมดแล้วตัววิญญาณก็ทํากิจเกิดคือปฏิสนธิตัวนามคือผัสสะเวทนาเอโทษดิเวทน า, ทนาสัญญา แล้วก็เจตนาผัสสะมนสิการเนี่ยก็ทําหน้าที่ปฏิสนธิคือเกิดครั้งแรกเหมือนกันมหาภูทรูปและอุปาทายรูปใช่ไหมในกลุ่มไหนกลุ่มกลุ่มกายะภาวะวะัตถุในนั้นมีดินน้ําไฟลมไหมมีที่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเออขอโทษทีตอนนั้นเกิดจากกรรมเห็นไหมเกิดจากกรรมดินน้ําไฟลมที่เกิดจากกรรมและตัวกายะ ศาสตรภาวะรูปตัวหัตถยารูปตัวช okay. ีวิตแรูปเป็นต้นเหล่าเนี้ยกลุ่มเหล่านี้ก็เกิดรูปเหล่านี้ก็เกิดน้ําก็เกิดตัวปฏิสัณธิวิญญาณก็เกิดก็ว่าปฏิสัณธิวิญญาณคือตัวจิตปฏิสนธินามคือกลุ่มของเจดสิปฏิสนธิรูปหมคือกลุ่มของรูปทั้งหลายก็ทําหน้าที่เกิดก็แปลว่าอะไรรูปก็เกิดจากกรรมน้ำก็เกิดจากวิญญาณวิญญาณก็เกิดจากกรรมว่าไงเนี่ย แท้จริงก็คือมีกรรมนั่นแหละเป็นปัจจั ย, ยมีสังขารในอดีตนั่นเองก็คือกรรมนั่นเองก็ล้วนแต่ว่าเป็นบุญหรือบาปส่งมาทากิจนะว่าเป็นผลบุญหรือผลบาปเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไหนมีคุณภาพมากน้อยเพียงไรเนี่ยมันหยั่งลงแล้วนะในครั้งแรกในการเกิดในะยองธมพิเป็นตัวบ่งบอกไว้เบ็ดเสร็จว่านี่ยประเภทว่า บริษัทไหนผลิตถ้าพูดถึงยี่ห้อเราตาวยี่ห้อไหนต้องบอกยี่ห้อไหนประเภทที่ว่าโลภะเจตนากรรมในโลภะหรือเจตนากรรมในโทสะหรือเจตนากรรมในโมหะหรือเจตนากรรมในมหากุศลและในมหากุศลก็เป็นมหากุศลประเภทไหนโลภะก็โลภะประเภทไหนถ้าเป็นประเภทโลภ ะ, ะก็คือว่าเวปยุทธหรือสมยุทธอันนั้นคือทําภาวะด้านจิตใจได้ไม่มีปัญหา รูปร่างกายก็มาดัดมาแปลงกันเองเนะี่ยได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ตัวกรรมไชืรูปเนะี่ยเปลี่ยนไม่ได้เดี่วกันเลงไม่มีใครเปลี่ยนกรรมไชืรูปได้จิตทําความโน้มเอียงได้แต่ว่าอัธยาศัยที่เขาโน้มเอียงไปเป็ น, เ ป, นเป็นชายเป็นหญิงคือความสับสนในตนเองนั่นก็เพราะกรรมของเขาอีกต่างหากคนละกรรมคนละกรรมคนละอย่างกันเลยว่าไงกรรมจะ ส, ส่งผลพวกเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันไม่แน่หรอกที่ว่านั่งนั่งกันอยู่ที่ว่าแน่แนเนี่ยจะคิดวิบปริบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะถ้าหากว่า บางทีแรงกรรมมันแรงมันสูงมากใช่หไหมเจตมันมาจากกายกรรมที่รุนแรงวิจีกรรมที่รุนแรงมโนโกรรมที่รุนแรงแน่ดีแต่พบเนี่ยมันก็ทําให้วิปริตในขณะไหนก็ไม่รู้อย่าอย่าประมาทนี่เรียบจเจริญกุศลได้จเจริญสีไม่รู้เราจะวิปริตจะบ้ากันเมื่อไรก็ไม่รู้จะพูดอย่างเนี้ไห้ ย, ยุ่งเลยเนะดี๋ยวหาไปบอกตําหนิสิแท้ที่จริงความจริงเป็นเช่นนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้ า, าเคยตรัสนะ ด, ดูดูก่อนวิสูททั้งหลายอย่าประมาทนะ อาจจะไม่มีอาหารบินธาบาติอาจจะไม่ได้อาหารเมื่อไหรก็ได้อาจจะไม่มีที่อยู่อาศัยอาจจะมีแต่มิจฉาทิฏฐิเต็มบ้านคนพาลอาจจะเต็มเมืองที่ประพฤติปฏิบัติในการอย่าเจริญกุศลเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์อาจจะไม่มีปัจจัยสิ่งนี้เหล่านี้ได้สะดวกสบายเมื่อไหรก็ได้ความไม่แน่นอนเป็นเช่นนี้นะซึ่งในปัจจุบันก็เห็นเห็นกันอยู่ใช่ไหมครัถามว่ากลุ่มที่จะเจริญกุศลเอาจริงเอาจังจริงๆนะถามว่า ต้องใช้ความเพียรพยายามขนาดไหนต้องป้องกันตนเองขนาดไหนจากพลชนี่บุคคลที่ไม่เข้าใจพระธรรมเนี่ยถามว่าขนาดไหนฉะนั้นยังมีเวลาในการที่จะศึกษาพระธรรมตรึกคําสอนเนะ่ยนับว่าบุญแล้วมองให้เห็นว่าเราเนี่ยไม่มีความแน่นอนอะไรกันอยู่เลยนะไม่รู้จะมาฟังทำกันได้หรือเรีย น, ก, นกันได้กี่วันก็ไม่รู้มันไม่มีความแน่นอนเลยความคิดจะวิปริตเมื่อไรก็ไม่รู้เลิกเรียนมันแล้ววะ มองออกแลนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพระองค์เหมยพูดตรงใจเลยเมื่อเรียสาวกรู้ชัดอย่างนี้นะรู้ชัดนามรูปเหตุเกิดนามรูปความดับแห่งนามรูปรูปร้ชัดปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งนามรูปอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยบันเทาปฏิคานุสัยถอนทิฏฐิมานะถอนทิฏฐิมานะละวิชาได้โดยประการและทั้งปวง แล้วก็ยังวิชาคืออารหัตมาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้และคูณอริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่มใสในธรรมไม่ครนแคลนมาสู่พัสสัตธรรมนี้ภิกษุเหล่านั้นพากันชื่นชมอนุโมทนาพาสุตของท่านพระสารีบุตร บอกดีแล้วครับแต้เท้าแล้วก็กาเปลียนถามปัญหาสูงขึ้นไปกับท่านพระสารีบุตรอีกแล้วว่าใต้เท้าครับยังมีอยู่อีกไหมเหตุปริยายอย่างอื่นที่จะทําให้อริยสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครอนแคร์ได้มาสู่พระสัทธรรมนี้หาว่ายังจะมีอยู่อีกไหมมีอยู่หรืออีกไม่มีมีใช่ไหมภิกษุเหล่านั้นกาเปลียนท่านพระสารีบุตรก็ตอบบอกว่ายังมีอยู่คุณ ด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับไปแห่งวิญญาณรู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับไปแห่งวิญญาณด้วยเหตุเพียงเท่านี้ละคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสไม่ครรครแวนมาสู่พระศัทธรรมนี้นี่เป็นการกล่าวอริยสัจอย่างย่อต่อไปเป็นการกล่าวโดยอริยสัจสี่ โดยพิสดารเนถามว่กวิญญาณคืออะไรเ่าคุณเหตุเกิดของวิญญาณความดับแห่งวิญญาณข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งวิญญาณคืออะไรบอกตอบว่าคุณวิญญาณมีหกหมู่คือวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจวิญญาณมีหกเนที่จริงถ้าวิญญาณทางตาเรียกว่าจักขูวิญญาณวิญญาณทางหูเรียกว่า โสตะวิญญาณวิญญาณทางจมูกก็เรียกว่าคานวิญญาณวิญญาณทางเลนชิวหาวิญญาณวิญญาณทางกายก็คือกายะวิญญาณวิญญาณทางใจก็คือมโนวิญญาณเพราะสังขารเกิดวิญญาณจึงเกิดเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับอริยมรรคมีองค์แดเท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งวิญญาณสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิ อริมักมีองค์แปดนี้เองเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งวิญญาณอริยสาวกรู้ชัดรู้ชัดวิญญาณเหตุเกิดของวิญญาณรู้ชัดความดับของวิญญาณรู้ชัดปฏิปทาให้เข้าถึงความดับแห่งวิญญาณเมื่อ น, นั้นเธอจะละราคานุสัยบรรเทาปฏิคานุสัยถอนทิถีมานะว่าเรามีอยู่ออกได้ละอวิชชาได้โดยประการทั้งปวงยางวิชชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ ในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้และครูนาเรียาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่ครรคนแวนได้มาสู่พระสัตธรรมนี้รู้จักวิญญาณเนี่ยลักษณะของวิญญาณเป็นยังไงวิญญาณ น, นั้นมีการรู้อารมณ์เป็นพิเศษจากวิญญาณจากสัญญาและปัญญานะเป็นลักษณะคือลักษณะการรู้อารมณ์มันจะรู้สองสามอย่างใช่ไหม รู้แบบสัญญารู้รู้แบบวิญญาณรู้รูแบบอะไรเนะี่ยรู้แบบสัญญารู้รู้แบบวิญญาณรู้แล้วก็รู้แบบปัญญารู้สัญญาคือรู้แบบจําอะรู้แบบจํารู้ยังไงบอกเหมือนคนไปตักน้ําอะเวลาไปตักน้ําในป่าแล้วไม่สามารถที่จะจําหนทางในการที่จะไปได้บุคคลที่เดินเล่อไลตามป่าก็อาศัยใช้มีด หรือใช้การเด็ดใบไม้ my, เป็นต้นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ในการเดินทางเพื่อจะจําได้ว่าที่ตรงนี้เป็นคือจํารู้จําลักษณะจะได้มีเครื่องหมายสามารถจํานิมิตเครื่องหมายได้นั้นรู้ลักษณะนั้นเป็นการรู้แบบสัญญารู้ถ้ารู้แบบถ้ารู้แบบวิญญาณรู้รู้ยังไงวิญญาณ น, นี้เป็นการรู้แบบว่าไงถ้าอุปมาเขาบอกอย่างนี้ลักษณะของการรู้แบบวิญญาณเนี่ย เออเขาอุปมาเหมือนกับอ่าอุปมาเหมือนกันเลยว่าเด็กเล็กๆจับเหรียญมาดูอเด็กเล็กๆที่จับเหรียญมาดูกัคนชาวบ้านทั่วๆไปกัคนทั่วไปที่จับเหรียญไอ้ที่ที่ใช้เหรียญใช่แล้วส่วนรู้แบบลักษณะของอีกอย่างอีกคนนึงก็คือเหมือนกับคนที่อยู่ทํางานอยู่กองกระสาบเลยคือเขาชุบเหรียญชุบอะไรเขารู้เลยว่าทําจากอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วเขาก็อุปมาบอกว่า การรู้แบบแบบนิมิตเครื่องหมายอะไรต่างๆเหล่านั้นเน่ยเป็นการรู้แบบไอแบบสัญญาแบบเออขอโทษทีเหมือนกับเหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปที่ไม่ได้รู้เหรียญไม่ได้รู้ว่าเหรียญทําจากอะไรรู้แต่ว่าเป็นคุณค่าเป็นเครื่องหมายแค่นั้นเองลักษณะนั้นสัญญาแต่ถ้ารู้แบบเด็กอย่างเงี้ยเหมือนกับวิญญาณเลย <c oughs> ลักษณะของวิญญาณเนี่ยรู้พิเศษรู้ลักษณะอย่างนั้น <c oughs> มีการเป็นประธานของแจตสิกและการมชรูปเป็นกิจ วิญญาณมีการติดต่อกันระหว่างภพเก่ากับภพใหม่ไหยติดต่อหรือไม่ติดต่อตัววิญญาณเนี่ยตัวปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนะจุดติจิตเนี่ยเขามีการติดต่อกันไหมระหว่างภพเ ก, ก่ากับภพใหม่มีการติดต่อกันมีการติดต่อกันระหว่างภพเก่เากับภพใหม่หรือเป็นอาการปรากฏถ้าบอกว่าปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยถามว่าเราจะดูช่วงระหว่างดูตรงไหน ดูว่าต่อจากพบทีแล้วนั่นแหละอาการที่เกิดต่อจากพบทีแล้วเราเป็นอาการปรากฏก่อนของของวิญญาณแต่ที่จริงถ้าว่าโดยลักษณะของวิญญาณโดยโดยการจําแนกแบบให้ให้ในรายละเอียดแล้วนะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าจากักขวิญญาณเนี่ยรู้อารมณ์ทางตางเนี่ยไอตัววิญญาณที่เข้าไปรู้เนะเขาอยู่ในฐานะเป็นประธานไหมถ้าในจกักขวาตวิถีเนี่ย ถามว่าวิถีนั้นนี่ยยกอะไรขึ้นเป็นประธานยกจักขู่วิญญาณขึ้นเป็นประธานทำไมจึงยกจักขู่วิญญาณขึ้นเป็นประธานบอกว่าเพราะในวิถีนี้รูปารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเขาเป็นอารมณ์หรือเป็นอารมณะให้กับจักขู่วิญญาณและในวิถีนี้ตัวรูปารมณ์ก็มาเข้าสู่คองของจักขุทวานจักขุทวานก็เป็นที่อาศัยให้กับจักขูวิญญาณใช่ห และในวิถีจิตนี้ทั้งตลอดวิถีก็มาประชุมกันในจักขคูทวารมาเข้าสู่ทวารช่องทางของจักขคูทวารและวิถีนี้มาตึบตูประตูนี้เท่านะหรือถ้าจะมาประชุมกันในการทํากิจก็คือในอายตนะนี้ในจักขาอายตนะนี้แหละอายตนะคือตาเนี่ยเลยเห็นไหมว่าจักรวิญ ญ, ญาณเขาอยู่ในฐานะเป็นประธานจริงๆในโสตวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณ ก็เป็นประธานแต่ละกลุ่มและกลุ่มไปนี่เป็นอย่างนั้นเขาจึงปีความเป็นประธานของเจตสิกและกา ร, รมชรูปด้วยนะถามว่าถ้าปฏิสัณฑที่วิญญาณไม่เกิดนามและรูปที่จะเกิดขึ้นมาได้ไหมในภพนั้นชาตินั้นไม่ได้เลยฉะนั้นจะต้องมีตัวปฏิสัณฑ์นี่แหละเป็นประธานเขาเรียกจิตเป็นประธานอยู่ไหมโยมตุยจิตเป็นประธานอย่างนี้ให้กับเจตสิกใช่ไหมนี่เป็นอย่างนั้นและอีกอย่างนึ่งนะ ถ้าเราดูในกลุ่มของจิตเนี่ยแล้วจะเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นประธานได้จริงๆอย่กจะบอกว่าเป็นประธานในลักษณะไหนบเป็นประธานในลักษณะว่าเป็นประธานในลักษณะว่าเมื่อเขาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขามาเป็นปัจจัยให้กับจิตและเจตสิกเออเขอโทษที่เป็นปใจใัจจัยกับเจตสิกแล้วก็กรรมมช่วรูปเกิดขึ้นพร้อมกันกันกบต น, น, นในฐานะเป็นประธานถามแต่ย้อนไปดูให้พิสดารไปก็บอกว่าวิญญาณที่ปลรูปเนี่ย ภูมิไหนบ้างเนาะวิญญาณด้วยรูปด้วยที่ปนกันเขาบอกว่าในกลุ่มไหนบอกว่าในกลุ่มของในกลามปรภูมิเนี่ยในกลามปรภูมิเนี่ยเวลาเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยมีทั้งมีทั้งวิญญาณมีทั้งรูปปนกันไหมใชยปนกันเลยหรือในรูปประภูมิสิบห้าเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็คือมีทั้งวิญญาณและรูปปนกันถ้าวิญญาณที่ไม่ปนกับรูปก็คือในอรมปภูมิไงใช่ไหมมีแต่วิญญาณอย่างเดียวไม่มีรูปเลย หรือถ้าหากก็ดูกามวิญญาณรูปปวิญญาณอารปณ์ ป, ปวิญญาณก็แยกไปตามภูมินั้น น, นหรืออันทชาวิญญาณเนี่ยวิญญาณที่เกิดในไขน่เวิญญาณอะไรบ้างเนาะถึงจะสามารถไปเกิดในไข่ได้ว่ากันวิญญาณพวกไหนอุเบกขาสันติระณะสองใช่ไหมพวกอบายสัตว์เนี่ยอุเบกขาสันติระณะอากุศลวิบากใช่ไหมดวงนั้นเป็นวิญญาณที่เกิดในไข่ หรือวิญญาณที่เกิดในไข่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าในกลุ่มของพวกสุขติเกิดเกิดในเกิดเกิดในมดลูกแต่ส่งคลอดเข้าในประเภทในไข่ได้เหมือนกันเอ่มนุษย์ประเภทเกิดในไข่มีบ้างไหมมีไหมมีประเภทปไข่ออกมาเลยไม่เคยได้ยินข่าวเลยมั้ยแต่ในสมัยก่อนมีถ้าประเภทวิญญาณที่เกิดแบบประเภทเป็นชาลพุชชาล่ะเกิดในคันมีไหมมีใช่ไหมวิญญาณที่เกิดในครันวิญญาณที่เกิดในยางเหนียว เกิดในเท่าไครเกิดในที่ชื้นแฉะโอ้หมีเยอะเนะี่ยหรือวิญญาณประเภทโอปปาติกาเนะี่ยโอ้หมีครบหมดเลยเพวกการรยสัตว์ก็มีวิญญาณประเภทเกิดผุดโตขึ้นมนุษย์ก็มีมนุษย์ครั้งแรกอะปฏิสนธิอะประเภทโตขึ้นทันทีเลยไม่ต้องอาศัยครันของใครเพราะตอนนั้นไม่มีแม่เพราะมาเป็นผู้หญิงผู้ชายที่หลังตามมาก็ไงในพูดไปพูดมาก็คือเป็นการย่างลงเงินของทุกแท้ๆนะถึงจะแยกไปเป็น อันทชชาวิญญาณชลาพุชชาบัญชาสังเสรชาวิญญาณแล้วก็โอปปาติกาวิญญาณวิญญาณที่เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าไข่เกิดผุดโตขึ้นในกลุ่มเหล่านี้ล้วนแต่วิญญาณดังนั้นทําหน้าที่เมื่อวิญญาณเกิดขึ้นมาเอานามรูปมาด้วยไหมเอานามมาด้วยเอารูปมาด้วยบางกลุ่มก็เอาแต่นามมาอย่างเดียวไม่เอ า, ารูปแต่ไม่มีล้อวิญญาณจะมาอย่างเดียวเพราะวิญญาณมาแล้วเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกว่าทุกข์ได้อย่างลงแล้ว การก้าวลงแห่งทุกข์ได้มีอุบัติเกิดขึ้นแล้วนี่แล้วท่าจะพูดไปบอกว่าการเริ่มต้นแห่งความทุกข์ได้เริ่มต้นเหมือนเครื่องยนต์เราไปสตาร์ทเครื่องรถตึง้งนึกทันทีนี่วิญ ญ, ญาณย่างลงก็อย่างเนี้ยนําอะไรโอ้ยทรัพย์ทัพสัมภาระมามากเลยนําน้ำมาด้วยนํารูปมาด้วยนะเหมือนเวลาสตาร์ทเครื่องรถปุ่มนี่ไม่ใช่ไปแต่รถนะี่ คนไปด้วยสิ่งของทัพประสพพาล่าที่อยู่บนรถไปด้วยกระบวนการขนกองทุกเคลื่อนที่แล้วว่าไงนะประครับประครองให้ดีนะเดี๋ยวลงถนนง่ายๆนะว่าไ ง, างานชีวิตก็อย่างนั้นนั่นแหละแต่ตัวปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณเริ่มต้นจะพบไหนก็แปลเริ่ม ส, สตาร์ทในการที่จะเดินแล้วเริ่มต้นในการที่จะเดินแล้วเตรียมตัวกันดีไหมที่จะทําปฏิสันทิวิญ ญ, ญาณผต่อไปเลยเขาเลือกเอาว่าไงจะปฏิสันทิวิ ญ, ญญาณประเภทไหน จะเพศที่เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในยางเหนียวเกิดเท่าไข่เกิดผุดโตขึ้นชอบแบบไหนชอบเกิดในไข่ไหมว่าเพศผุดโตขึ้นอ่ะผุดโตขึ้นก็ว่างั้นนะแบบเกิดในไข่หรเว่าไข่รจิ้งจกในยุงกันนะั่นแหละว่าเอ๊ะทําไมมันมืดมืดเหนียวไงนะเอ๊ะดีนะดีก็าบางพบนะบางพบนี่เหม็อนอะไรมากเอ๊ะพบนี้รู้สึกมันคล่องๆตัวไงเจ้าคนเนยะยังไม่รู้ตัวตอนนั้นนะ ยังไม่รู้ตัวใช่ไหมพราะมันยังมืดยังรู้ตัวเองไม่เดินจักขูวิญญาณยังไม่เกิดก็ยังโอ้ทิใจแล้วเกินเอยดูมันคุกคักคลุกคับไงชอบกนวมางั้นนะที่ไหนได้พอสักพักหนึ่งพอเบ่งตัวโตวขึ้นมาแล้วชักเริ่มรู้ตัวแล้วน้ำตาเล็ดเลยโอ้เราพลาดอยแล้วใช้คำว่าพลาดอยู่ล้ออกมาจะทำยังไงต่อไปเราก็จะลืมจะลืมจะลืมแสดงนี่สั ญ, ญญาสัญ ญ, ญา สัญญาเดินหมดไปรับเอาสัญญาใหม่พฤติกรรมใหม่แล้วก็เสพคุนการกระทําใหม่ๆก็ต้องดิ้นไปตามวัตถะต่อไปที่กูจริงๆหิ้วขึ้นมาก็หาอะไรกินเอาทำยังไงจะตัวรอดได้โตขึ้นมาว่าจะตัวรอดได้ยังไงเห็นอะไรดิ้นผ่านหน้ามาก็คว้ากินปะวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมยังไงยังไงก็ได้ฟังเสียงธรรมมาเวลาเขาบรรยายธรรมก็โผนามันน้อม มาฟังคุ้คะนๆเนอะอัธยาสายคุ้นๆ <c oughs> แต่จริงๆในที่นี้เอาสังขารสามเป็นเหตุใกล้อารมณ์นี่เป็นจักรูปารมณ์เป็นเหตุใกล้ของวิญญาณทางตาได้ไหมได้เสียงเป็นเหตุใกล้ของของวิญญาณทางหูได้กลิ่นเป็นเหตุใกล้ของวิญญาณทางหูรสเป็นเหตุใกล้ของวิญญาณทางลิ้น สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นเหตุใกล้ของวิญญาณทางกายธรรมารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายเป็นเหตุใกล้ของมโนญาณก็ได้หรือเป็นวัตถุหกก็ได้จากูวัตถุโสแต่วัตถุคาณวัตถุชิวหาวัตถุกายะวัตถุแล้วก็หาดะยะวัตถุเนี่ยแต่ว่าในที่นี้เอาสังขารกายะสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารคือตัวกรรมนั่นเองใช่ไหม ตัวเจตนากรรมในอดีตนั่นเองเป็นเหตุใกล้ของวิญญาณในที่นี้อริยสาวกรู้ชัดเหตุเกิดความดับรู้ชัดรู้ชัดวิญญาณเหตุเกิดของวิญญาณความดับของวิญญาณรู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งวิญญาณเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยจะสามารถทําความเห็นถูกต้องความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใส่ไม่คลอนแคลนแล้วก็ เข้ามาสู่พระสัจธรรมนี้เข้ามาสู่พระสัธรรมนี้ภิกษุเหล่านั้นพากันชื่นชมอนุโมทนาภาสิท์ของท่านพระสารีบุตรว่าดีแล้วใต้เท้าครับดีแล้วก็ได้กราบเรียนถามปัญหาที่สูงขึ้นไปกับท่านพระสารีบุตรว่าใต้เท้าครับยังมีอยู่อีกไหมมีอยู่อีกหรือเปล่าเหตุปริยายอย่างอื่นที่ให้อริยสาวกมีความเห็นถูกต้องเนี่ย มีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัจธรรมนี้เนี่ยถามว่ายังมีอยู่อีกไหมท่านพระสารีบุตรตอบบอกว่ายังมีอยู่คุณแล้วกกล่าวว่าคุณด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดสังขารรู้ชัดเหตุเกิดสังขารรู้ชัดปฏิปทาความดับสังขารรู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสังขารแม้เหตุเพียงเท่านี้แตคุณอริยาสาวก เียว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเริ่มใสในธรรมไม่ครอนแคลนมาสูษษ่พระสัจธรรมนี้นี้เป็นการกล่าวอาริยสัจอย่างย่อเนี่ยแต่อย่างย่อเนี่ฟังกลุ่มเข้าใจเลยนะแต่ละวาระนี่ท่านภาษารีบุตรเนี่กล่าวอาริยสัจสองครั้งพอจะสะดุ้งสะเทือนไม่ยังอวิชชาความมืดบอดในกระแสจิตบอกโอ้ยโลงแล้วฟังสมมาทิฐิขนาดนี้ชัดเจนแล้วว่าเ ง, งี้ยแจมแจ้งเหมือน หายของที่ควม่มเปิดของที่ปิดส่องจุดประทีปในที่มืดเหมือนขนาดนั้นนะยังไม่ขนาด น, านั้นนะแต่ยังไม่ขนาดนั้นก็ต้องพิจารณาต่อไปแสดงว่าบางทีบอกว่าถ้าปิดหนังสือยังจำไม่ได้เลยว่าแสดงไปกี่วาระนี่อะไรย่างนีถามว่าสังขารคืออะไรเล่าคุณเหตุเกิดสังขารความดับแห่งสังขารข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งสังขารคืออะไร ถามเลยถามเองและตอบเองเนะเป็นกะเทตุกรรมยาตาบุญฉานถามเพื่อจะตอบเองบางคนเนะี่ยถามอย่างนั้นเนี่ยถามเพื่อจะตอบเองแต่บางกลุ่มก็ถามเพื่อไม่รู้หรือถามเพื่อรู้แล้วเพื่อที่จะเทียบเทียงความรู้ของตนเองถูกหรือผิดอะไรอย่างี้การถามมีหลายแบบคุณสังขารมีสามอย่างคือากายสังขารหน 1, ึ่งวจีสังขารหนึ่งจิตตะสังขารหนึ่งเพราะอาวิชชาเกิดสังขารจึงเกิด เพราะวิชาดับสังขารจรดับอริยมรรคมีองค์แปดนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับไปแห่งสังขารคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เรียกว่าข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับสังขารนะคุณเมื่ อ, อริยาสาวกู้ชัด สังขารเหตุให้เกิดสังขารรู้ชัดความดับแห่งสังขารรู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยบันเทาปฏิคานุสัยถอนทิถีมานะว่าเรามีอยู่ออกได้ละอวิชาได้โดยประกาศและทั้งปวงยังวิชาในอรหัตมรักษให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ ในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลคุณอริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัทธรรมนี้ให้พิจารณาดูสังขาร น, นะในสังขารวาระเนี่ยลักษณะของสังขาร น, นั้นเป็นชื่อของการปรุงแต่งบอ mm. ลักษณะของสังขารนี่ปรุงแต่งอะไร การปรุงแต่งของสังขารนั้นเน่ต้องไปดูเขาปรุงแต่งอะไรเพราะสภาพของสังขารนั้นก็จะต้องมีการปรุงแต่งเป็นลักษณะมีการพยายามให้ปฏิสนธิวิญญาณพยายามให้ทำที่เป็นผลซึ่งได้แก่นามรูปเป็นต้นนะหรือวิญญาณนะี่แหละเกิดขึ้นเป็นกิจเนืนี่เป็นกิจนะของสังขารนะเป็นหน้าที่ของเขา เพราะถ้าหากในวาระแห่งวิตถารลัในที่ท่านกล่าวไว้โดยในย่พิสดารเนี่ยนะในด้านของกายสังขารเนี่ยสังขารที่เป็นไปแล้วทางกายชื่อว่ากายสังขารเก็หมายความว่าการปรุงแต่งการประชุมที่เป็นไปแล้วทางกายนันเน่ยชื่อว่ากายสังขารแล้วก็กายสังขาร น, นี้เป็นชื่อของสังเจตนาเนยสังเจตนาที่เป็นไปแล้วในเจตนา20ดวง ยี่สิบดวงในส่วนของที่เป็นมหากุศลแปดแล้วก็ที่เป็นไปในส่วนไหนอีกเอที่เป็นไปในส่วนของมหากุศลและจิตแปดด้วยแล้วก็เป็นไปในส่วนของอวุโสลสิบสองด้วยในกลุ่มเหล่านั้นคือเป็นเจตนาที่เป็นกลุ่มของกายสากายสังขารหนึ่งก็กายยสังขารกายยสังขารการปรุงแต่งการประชุมกันทางกายถามว่าการปรุงแต่งทางกายที่เรียกว่ากายยะสังขารเนี่ยนะ พิจารณาอย่างไรบอกต้องพิจารณาถึงการกระทําที่เป็นไปในส่วนของเจตนากรรมน่ดเพราะเกี่ยวกับเรื่องของมีการพยายามให้ปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นการกระทําทางกายเนี่ยถามว่านี้เป็นบาปไหนะการกระทําทางกายนี่เป็นไหมเจตนาที่ปรุงแต่งทางกายเนี่ยถ้าปรุงแต่งในด้านของการทํากายทุจริตเจตนาที่ปรุงแต่งกายทํำให้ทุจริตนั้นเป็นเจตนาที่ในอรรถลสกรรมสิบสองเนะ โลภะไปปรุงแต่งทําให้กายนั้นทุจริตประพฤติทุจริตกายกรรมนั้นทุจริตโทสะก็ปรุงแต่งให้กายกรรมนั้นทุจริตโมหะก็ปรุงแต่งให้กายกรรมนั้นทุจริตใช่ไหมคือมีเจตนานเนี่ยแหละเป็นตัวปรุงแต่งหนึ่งเขาเรียกว่ากายสังขารกายสังขารถ้าหากว่าจีสังขารเออถ้าหากว่าเป็นไปในส่วนของสุจริตก็จะได้แก่มหากุศลเจตนาเนะี่ะเท่นั้นด้านของกายสังขารเนี่ยสามารถที่จะปรุงแต่งให้กายนั้น พุจริญก็ได้สุจริตก็ได้ทำรรที่ปรุงแต่งสังคตรธรรมใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายย่อมปรุงแต่งกายกรรมวจีกรรมและในที่นี้ปรุงแต่งอะไรทั้งสามอย่างเลยทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เป็นสังคตรธรรมโดยเจตนาฉะนั้นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการปรุงแต่งเหล่านั้นชื่อว่าสังขารก็ว่ากันนี่ชื่อว่าสังขารมีเป็นอย่างนั้นส่วนวจีสังขารก็คือสภาพที่ ปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งเจตนาเออปรุงแต่งกายกรรมวจีกรรมที่เปเออขอโทษดิปรุงแต่งทางกายแล้วก็ทางวาจาเนี่ยนี่เป็นอย่างนั้นนะเออถ้าไปดูอีกกลุ่มหนึ่งที่มองอีกอย่างบางคนบอกว่าถ้าไปดูอย่างไ อ, อ้ตัวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นกายสังขารไ อ, อ้ตรงนั้นเป็นกายสังขารที่ไม่ได้เป็นไม่ได้ปรุงแต่งนะเออปรุงแต่งให้กายอยู่ได้นะอันนั้นเรียกกายสังขารเหมือนกันไหมเรียกใช่ แต่อันในนี้ไม่ได้เอาอย่างนั้นไม่ได้เอากายสังขารที่หมายถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหรือว่าจิตสังขารที่เป็นวิตกวิจารเนี่ยไม่เอาเพราะในที่นี้เอาเจตนาเพราะต้องเอาตัวกรรมใช่ไหมเอากรร ม, มเอาตัวเจตนากรรมที่เป็ที่ปรุงแต่งกายที่ปรุงแต่งวาจาและก็โทษปรุงแต่งจิต ด, ด้วยถ้าปรุงแต่งจิตนี่เป็นเจตนาที่ปรุงแต่งมโนทุจริตและมโนสุจริตให้สําเร็จลงได้ อกุศลเจตานาโรกิยะกุศลเจตานาอย่างเงี้ยเกี่ยวกับทางใจใช่ไหมไปไกลเลยฌานสมาบัติเนี่ยทางธรรมโน ก, กรรมนี้เขาบอกว่าวิถีทางมโนทวารเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยวิถีจิตทางมโนทวานเนี่ยไม่ต้องมีกายและไม่ต้องมีวาจาในการที่จะเคลื่อนไหวเลยคือสามารถนั่งอยู่ในที่รับเนี่ยกายไปโยควะวจจีไปโยคะไม่มีเลยไม่มีการเคลื่อนไหวทางกายและทางวาจาเลย สามารถที่จะทํากรรมใหญ่โตได้เ อ, อทํากรรมใหญ่โตได้ด้วยนะคือทําทางใจไงมโนกรรมนี่รุนแรงนะนี่ว่าไปนะลองคิดมโนโทจุจริตเล่นๆเลยเจ๊ะไหมคิดแบบอภิชาพยาบาทมิชาพิถีเนี่ยไม่ต้องลุกไปทำแล้วสำเร็จกรรมาบดแล้วสําเร็จไหมสาเร็จเป็นกรรมาบทได้ไหมเป็นอกุศลกรรมาบทได้และก็เป็นกุศลกรรมาบดได้อันในกลุ่มของบุคคลที่จเจริญเมตตาเนี่ย ตั้งอัธยาศัยในการเจริญเมตตาอย่างต่อเนื่องที่สุดจริงๆยังสมาบัติให้เกิดขึ้นได้เข้าไปสามารถได้ปฐมฌานได้ไหมทาปฐมฌานให้เกิดขึ้นได้ด้วยนั้นเนอะใช่มโนกรรมไหมนั่นแหละคือมโนกรรมในกลุ่มของบุคคลที่เจริญวิปัสสนาหนึ่งที่ก็นั่งนิ่งๆในการเจริญวิปัสสนานแล้วได้บรรลุได้กายกรรมวจีกรรมไม่ได้เปล่งอะไรต่างๆออกมาวจีกรรมไม่ได้เปล่งกายกรรมไม่ได้ขยับขยื่อนเลยจะได้บรรลุหนึ่ง ดูพโนกรรมรุนแรงนะบางทีนั่งอยู่เฉยๆนี่แสดงอิทธิฤทธิ์เนี่ยอีกคนหนึ่งเน่มีอาการเจ็บป่วยได้นี่มโนกรรมมาดยกายวจีสังขารเนี่ยเป็นชื่อของวจีสังเจตนาเนียเหมือนกับกายสังขาร น, นั่นแหละส่วนจิตสังขาร น, นั้นก็หมายถึงว่าสิบเก้าเลยสิบเก้าดวงเจตนาที่ปรุงแต่ง การที่เป็นบุญและเป็นบาปนั่นเองที่เรียกว่าเป็นสังขารนี่นะถ้าโลกุตละเรียกว่าสังขารได้ไหยเจตนาในโลกุตละไม่เรียกว่าสังขารนะเพราะไม่ได้ไม่ได้เป็นปัจจัยให้กับวิญญาณเกิดขึ้นในลักษณะที่ทําให้ปฏิสนธิวิญญาณเพราะเป็นกรรมที่ตัดตัดวิบากเขาถึงบอกว่าว่าธรรมชาติใดชําระขันสันดานของตนให้ชะอาดฉะนั้นธรรมชาตินั้นเรียกว่าบุญธรรมชาติใดเป็นปฏิปักษ์ต่อบุญ ลักษณะนั้นเป็นบาปแท้ที่จริงคำว่าปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขานนี่เป็นชื่อของบุญและบาปนั่นเองเหมือนกันไหมไม่แทบจะไม่ไม่ต่างกันเลยนี่เป็นอย่างนั้นนี่ไปดูทีนี้ลักษณะของสังขารก็ปรุงแต่งอะไรลักษณะสังขารกิจของเขาก็มีการปรุงแต่งนะเป็นลักษณะลักษณะของสังขารนนะมีการปรุงแต่งเป็นลักษณะเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีการเป็นประธาน แต่ก็อโทษทีมีการเป็นไปในลักษณะของการอที่ทําให้นามรูปหรือตัวปฏิสนธิวิญญาณนะั่นแหละเป็นการเกิดขึ้นพไปเติมบรรชาติที่ชักนกํากระตุ้นเตือนด้วยปรากฏแก่ปัญญาบัณฑิตทั้งหลายด้วยนะสังขารมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีอวิชานะาาวชาเป็นเหตุใกล้อสังขานี่มีอวิชชาเป็นเหตุใกล้อาจจะพูดถึงในด้านของการเป็นกรรมนี่ เจตนาในการที่จะกระทํากรรมลงไปนั้นน่ะในขณะที่เราทําบุญและทําบาปไปในกลุ่มของบุคคลที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านั้นน่ะมีอวิชาปิดหมดเลยเพราะเป็นการทําอยู่ที่อยู่ในอยู่ในกระแสของอวิชาอยู่ในกระแสของอวิชาปกปิดอยู่มีเป็นอย่างนั้นนะลักษณะของสังขารเนี่ย ท่านจึงกล่าวเขาไว้บอกว่ากายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารเนี่ยสังขารทั้งสามอย่างเนี่ยเป็นธรรมชาติที่การกระทําทางกายทางวาจาใจาของสัตว์ทั้งหลายนั้นเนี่ยถามว่าหนีพ้นไปจากกายสังขารวจีสังขารแล้วก็จิตตสังขารไหมบอกไม่มีไม่สามารถจะหนีพ้นไปได้เลยนะไม่สามารถที่จะหนีพ้นไปจากได้เลย แ ท, ท้จริงเนี่ยสภาพของสังขารที่ประชุมปรุงแต่งนั้นถามว่าเพราะอะไรเกิดสังขาจรจึงเกิดเพราะ ว, าวิชาเกิดสังขาจรจึงเกิดถามว่าแสดงให้เห็นชดัดเมื่อสังขารเกิดถ้าพูดถึงในลักษณะในปัจจุบันนี้ด้วยนะเอาสังขารเกิดเมื่ อ, อไรเอาวิชาปิดทุกๆอารมณ์ใช่ไหมแสดงให้เห็นชัดว่าในขณะที่กระทํางกายกรรมวิจีกรรมและ มโนกรรมลงไปนั้นเนี่ยตัวอวิชชาเนี่ยเป็นตัวปกปิดอภปกปิดในฐานะโดยการที่ว่าเป็นอัธิยาศัยใช่ไหมเป็นอุปนิสัยนั่นเองหรือปกปิดในฐานะที่เกิดร่วมถ้าในขณะที่บาปเกิดกับท่านบูนนั้นเออเป็นอย่างนี้นะลักษณะของสังขารเป็นอย่างนี้เนะี่ยเฮ้ยจะไปเอาขาดได้ไง เ, เขาเต็มแล้วนะอ๋ อ, อ, อตรงนั้นแนตะ่เขาพูดในกลุ่มของโรกิยากุศลเจตนาสิบเก้าไม่ใช่ คืออกุศลก็กล่าวถือว่ากล่าวแล้วอกุศลถือว่ากล่าวไปแล้วจริงๆต้องในส่วนของอกุศลใช่ไหมเพราะถ้าหากว่าในส่วนของในส่วนของกุศลก็จริงๆและจิตตสังขารจริงๆเนี่ยทั้งหมดเขามีเท่าไหร่เจตนาที่ปรุงแต่งกายทุจริตแล้วก็วจีทุจริตวจีสุจริตหองเขาใส่สิบเก้าวดวงเลยจริงๆจะต้องมีเพิ่มแล้วทเพราะเขาสามารถที่จะ ติตสังขารเนี่นะโลกิยากุศลและกุศลเจตนาอากุศลสิบสองโลกิยากุศุลเจตนาสิบเจ็ดเป็นเท่าไหร่อเออใส่ใส่เลขสองไปใส่ยี่บเก้าไปถูกต้อง แ, แก้ไขนะในลักษณะของเจตนาเกี่ยวในเรื่องของสังขารที่ได้กล่าวเนี่ยที่บอกว่าการที่กรรมเหล่านี้กระทํากรรมลงไปแล้วเนี่ยในกรณีที่กรรมนั้นจะให้ผลอย่างไรเนี่ย ออลองไปสังเกตดูที่ว่าในกลุ่มของกรรมเจตนากรรมที่กระทําเป็นกายกรรมวิีกรรมแล้วก็มโนกรรมที่กระทําลงไปแล้วเนี่ยแปลว่ามีผลหมดแหละกรรมเหล่านี้เมื่อกระทําลงไปย่อมได้รับผลหมดเลยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยที่เราเกิดมากันอยู่เนี่ยแปลว่าเรา n ั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลของกายกรรมวิญญกรรมและมะโนกรรมในอีทั้งนั้นใช่ไหมแต่ว่าเราจะเป็นผู้ที่ปิดโอกาสของ กุศลหรือว่าเปิดโอกาสให้กับกุศล ส, ส่งผลหรือไม่ก็สังเกตดังที่ได้กล่าวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าบุคคลที่มีทิฏฐิวิปริตประโยค์้าวิบัติแล้วเนี่ยบาปไม่ส่งผลก็จะตามไปชเพื่อจะให้บาปส่งผลก็เหมือนกับที่บอกเมื่อวันก่อนก็ขนาดเขาวิ่งวัวกันอยู่ที่สเปนเนี่ยยังนั่งเครื่องบินไปให้วัวผิดตายขนาดนั้นเลยนะความประโยค้าวิบัติของคน เขาจะที่ปลอดภัยไม่อยู่แจะไปอยู่ในที่ที่เหมอที่เขามีการผูกระเบิดติดตัวเงี้ยตรงนี้ก็เรียกประโยคาวิบัติคือไปเพื่อจะให้เขาฆ่าบางคนบอกว่าจะตายก็ไม่ว่าแต่ขอให้ได้ไปทํางานที่รั ก, กว่าไง mm hmm. นะดูเท่นีะคือจะตายก็ไม่ว่าแต่ขอให้ได้ไปทํางานนี่คือก็เลยกลุ่มของประโยคาวิบัตินะถ้าคิดอย่างไงมันไปบางคนไปว่าสนุกเขาว่าตื่นเต้น <laughs> ไอ้ความเพียนผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นคือบาปไม่ส่งผลพยายามบาปให้ให้ให้จังหวะบาปส่งผลเพราะเขาไม่รู้เนี่ยเอาในกลุ่มรู้เลยทีเดียวนะก็คือเวลาบุญจะส่งผลก็อย่าไปปิดเพราะบุญจะส่งผลได้ก็ส่งได้ในหกทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจบางครั้งก็ทําให้จิตเนี่ยไหมถ้ากรรมนั้นรุนแรงเนี่ยทําให้ความคิดวิปริตได้เห็น ไ, ไหมคนบางคนเนี่ยแม้อยากจะทําดีแต่ตาในที่สุดถ้า อากุศลกรรมที่รุนแรงมากเนี่ยก็ทำให้อัธยาศัยลิ้นแนวความคิดนั้นเกิดวิปริตคิดชั่วขึ้นมาได้เนี่ยแล้ว ก, ก็ทำกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรไปเาถึางบอกเมื่อกรรมเป็นสมบัติของคนจริงๆนะเป็นสมบัติของคนจริงๆนะเอาเนียถือว่าถ้ามองในกลุ่มว่าแหมยังมีบุญดีอยู่นะที่ยังไม่วิปริตกันในะในการที่จะฟังพระธรรมว่างั้น ก, กไไ็ไม่วิปริตถ้าพิจารณาอย่างนี้เราก็จะรู้จักสังขารได้ดีไม่ว่าจะเป็นกายสังขารวาจีสังขารแล้วก็จิตตะสังขารรู้ชัดสังขารเหตุเกิดสังขารความดับแห่งสังขารปฏิปทาค้อดับสังขารก็สามารถที่จะลาราคะถอนปฏิฆะถอนทิฏฐิมานะว่าเรามีออกได้ละวิชาได้โดยประการทั้งปวงยงังวิชาให้เกิดขึ้นเป็นผู้ทาที่สุด แห่งกองทุกในปัจจุบันแม้เหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครรครแอนได้มาสู่พระสัตวธรรมนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่ารู้ชัดภิกษุเหล่านั้นพากันชื่นชมชื่นชมอนุโมทนาพาสิทธิของท่านพระสารีบุตร ด, ดีแล้วใต้เท้าครับดังนี้แล้ว ก็กล้าเปลี่ยนถามปัญหาสูงขึ้นไปกับท่านพระสารีบุตรบ่ใต้เท้าครับยังมีอยู่อีกไหมเหตุปริยายแม้อย่างอื่นที่จะให้อริยสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัทธรรมนี้เรื่อมใสในธรรมเนะี่ยท่านพระสารีบุตรก็บอกยังมีอยู่คูนเลนะคือยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ เออพอมาพิจารณาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยลองไปพิจารณาถึงว่าในการศึกษาเกี่ยวในเรื่องของสัมมาทิฏฐิสูตรนี่เนีวาระในทางด้านของกรรมมะปถาวระเนี่ยนะยวในเรื่องของกรรมบทในการรู้อริยสัจใช่ไหรู้ชัดกุศลเหตุเกิดรู้ชัดกุศลรู้ชัดกุศลอกุศลกรรมบทกุศลกรรมบทรู้ชัดเหตุเกิดของอกุศลกม มาบทและเหตุเกิดของกุศลกรรมบทรู้ชัดความดับของกุศลอกุศลใช่ไหมรู้ชัดปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งกุศลอกุศลหรือรู้ชัดอาหารเหตุเกิดของอาหารความดับของอาหารรู้ชัดปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งอาหารรู้ชัดทุกเหตุเกิดของทุกเนื้คือชาตินเรื่อง รู้ชัดชาติความเกิดของชาติความดับแห่งชาติรู้ชัดปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งชาติแล้วก็รู้ชัดชรามรณะความเกิดแห่งชรามรณะความดับแห่งชรามรณะปฏิปทาที่ให้เข้าถึงความดับแห่งชรามรณะรู้ชัดหลายชาติรู้ชัดภาวะอุตสาทรู้ชัดเหตุเกิดของชาติความดับของชาติรู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งชาติ รู้ชัดอะไรภาวะเหตุเกิดของภาวะความดับแห่งภาวะรู้ชัดปฏิปทาค่อยถึงความดับแห่งภาวะรู้ชัดอุปาทานเหตุเกิดของอุปาทานความดับแห่งอุปาทานรู้ชัดปฏิปทาที่ให้เข้าถึงความดับของอุปาทานรู้ชัดตัณหาเหตุเกิดของตัณหาความดับแห่งตัณหาว่ารู้ชัดปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้เข้าถึงความดับห่งตัณหารู้ชัดเวทนา เหตุเกิดของเวทนารู้ชัดความดับของเวทนารู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับของเวทนารู้ชัดผัสสะเหตุเกิดของผัสสะรู้ชัดปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้เข้าถึงความดับของผัสสะรู้ชัดสลายตนะเหตุเกิดของสลายตนะความดับของสรายตนะรู้ชัดปฏิปทาที่จะให้เข้าถึงความดับ ของสรายาตนะรู้ชัดนามรูปเหตุเกิดของนามรูปรู้ชัดความดับของนามรูปรู้ชัดปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของนามรูปรู้ชัดวิญญาณเหตุเ <countries> กิดของวิญญาณรู้ชัดความดับของวิญญาณรู้ชัดปฏิปทาที่จะให้เข้าถึงความดับของวิญญาณรู้ชัดอาหาสังขารเหตุเกิดของสังขาร รู้ชัดความดับของสังขารแล้วก็รู้ชัดปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับแห่งสังขารตรบแล้ว อ, อริยสัจเนี่ยวาระงหนึ่งนั้นเนี่ยแสดงอริยสัจสองรอบนี่แสดงมาได้กี่วาละัจนถึงสังขารวาระแล้วอาวิชา ย, ยังไม่สะด ung สะเดือนเลยใช่ไหมใพอจะพอจะ ไ, วไหวๆบางเนี่ยโอ้ยสัมมาทิฏฐิในที่นี้คือเป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐินะ มีโสดาปฏิมากเป็นต้นนะนะสมาธิในโซดาปฏิมากสกาทาคามีมากอานาคามีมากและในอรหัตมากนะที่ท่านพระเถระแสดงอริยสัจวาระละสองรองเวลาเราไปสาธยายก็สาธยายตามเนี้ยเออในทุกเนี้คืออริ ย, ร ย, ยสัจนะยมจลีสัจจาวาระนะในทุกขวาระเนี้ยคือสัจจาวาระนั่นแหละบอกว่าทุกสมูทัยนี่รสธทมมากหนึ่สัจจาวาระ เนี่ยก็สาธยายในลักษณะอย่างนี้ได้เวลาที่จะไปเจริญกรรมฐาน ถ, ถ้าสาธยายอย่างนี้แปลว่าผู้ที่เข้าใจเข้าใจใช่ไหมอย่างนี้ก็เรียกสาธยายอย่างนี้ได้พุทธคุณด้วยนะเนี่ยได้บทคำว่าสัมมาสัมพุทโธเรรู้จากอริยรรสัจสี่ทุกทุกวาระมีเป็นการแสดงเพื่อจะทำให้เกิดปัญญามีความเห็นถูกต้องในการแสดงวาระต่างๆเหล่านี้ได้มีมีเป็นอย่างนี้ ต้องมีการสรุปได้ในลักษณะเช่นนี้ได้เป็นอย่างดีถ้าแสดงในลักษณะอย่างนี้แล้วจะทำให้มีความชัดเจนขึ้นนะในการที่จะทำความเข้าใจนะว่าเออเป็นอย่างไรนั่นก็คือไล่ไปตามราดับตั้งแต่กรรมปทาวาระอาหารวาระสัจจาวาระชารามรณะวาระชาติวาระภวะวาระอุปาทานวาระตันหาวาระ เวทนาวาระผัสสาวาระสรายตนาวาระนามรูปวาระวิญญาณวาระและก็สังขารวาระอวิชาวาระอาสวาวาระรวมส6กวาระเนี่ย